ขงโซ่ปฏิจจสมุปบาทหรือตัวความรู้ชั้นญานณทัศนะเนี่ยเป็นระบบความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งขนขวาไปทีละจังหวะมันเป็นเรื่องของการทบทวนทบทว น, ทวนสิ่งที่พระองค์รู้แล้วในระดับหนึ่งแต่เป็นการทบทวนเลยลึก ไปกว่าจุดของการคนพบในครั้งแรกหรือคนพบเหตุเกิดทุกข์เนี่ยณนะจุดตั้งต้นเลยของการปฏิบัติจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าก็เพื่อต้องการเขาถึงความไม่แก่เจ็บตายให้สำเร็จนี่คือจุดมุ่งหมายเลยแก่เจ็บตายแก่ก็คือแก่น ะ, ะเจ็บก็คือเจ็บตายก็คือตายจริงๆไม่มีภาษาอะไรซับซ้อน ซึ่งคนยุคนั้นก็มุ่งแสวงหาความไม่แก่เจ็บตายกันด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกันในยุคโบราณนะแต่พอมาค้นคว้าเข้าไปจริงๆพบว่าระบบชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราและก็บังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้ใครก็ตามที่เกิดมาต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาพอมีคําว่าธรรมดาก็หมายถึงว่า มันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะไม่อาจจะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานั้นมุมเดียวเลยที่ทำให้ไม่แก่เจ็บตายก็คือต้องไม่เกิดต้องพ้นเกิดได้เท่านั้นจึงพ้นทุกข์การเกิดทุกข์คราวเป็นทุกข์ร่าไปคาว่าเกิดในที่นี้ก็คือเพราะมีชาติน่ะล่ะ พอมีชาติมีการเกิดทีนี้เรื่องราวของเจ้าตัวทุกนี่มากันอีหลงตงนางเลยนะเจ้ากลองทุกเนะี่ยการศึกษาพระเจ้าจะต้องให้เห็นว่าขันห้าเป็นกลองทุกให้ไดใ้ให้รู้แจ้งกล่องทุกใ ห, ให้กำหนดรู้ทุกนี่คือการมาศึกษาขันห้าให้รู้จักพอทบทวนว่าอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงทำให้ยังมีการเกิด วิธีของการค้นคว้าทำให้ได้คำตอบว่าเพราะมีพบจึงมีชาติมันเมนมีการตั้งคำถามก่อนเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาติก็เกิดการคน้นขนาดที่เกิดการค้นก็ทำให้เกิดการพบคำตอบว่าเพราะมีพบจึงมีชาติและพราะอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีพบ อันนี้ก็คือถามอีกอะไรเล่าเป็นปันจจัยจึงมีพบก็เกิดการค้นอีกเกิดการค้นแล้วก็พบคําตอบเพราะมีอุปทานเป็นปันจจัยจึงมีพบระบบปฏิบัติในส่วนเนี้เป็นระบบปฏิบัติเพื่อหาคําตอบว่าเพราะอะไรจึงมีสิ่งนี้เพราะอะไรจึงมีสิ่งนี้เพราะอะไรจึงมีสิ่งนี้ นี่เป็นเรื่องการหาคำตอบล้วนจนคำตอบกระจ่างครบไปสุดทางเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้แล้วก็ถามตอบจนจบพอจบก็พอมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารจบพอจบแล้วเป็นไงได้อะไรขึ้นมาตลอดการ ทำความเข้าใจปฏิจต์ก็เพื่อหาคําตอบว่าเหตุเกิดทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ค้นไปจนกระทั่งรู้ที่สุดว่าเพราะมีวิชาจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีน้ํารูปเพราะมีน้ํารูปจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีภาษาเพราะมีภาษาจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนจึงมีภพ เพราะมีพบจึงมีชาติจบได้คำตอบอย่างนี้เสร็จแจ่มแจ้งเลยว่ามีชาติเพราะมีอุทานมีอุทานเพราะมีตัณหามีตัณหาเพราะมีนี่นี่เห็นเป็นฉากฉากฉากฉากฉากจนจบพอจบก็เปล่งอุทานเมื่อได้แลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อ น, นั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไป พอได้รู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุปฏิจจสมุปบาทที่พระเจ้าได้ส่งคนพบเนี่ยทําให้พระเจ้าได้อะไรขึ้นมาบ้างจากการค้นพบกิเลสตัวไหนลดลงไหมได้คือความรู้ในห่วงโซ่ทั้งสิบเออาการซึ่งเป็นรายละเอียดของเหตุเกิดทุกข์ที่พระองค์ไม่เคยลงลึกไปถึงรายละเอียด พอเห็นรายละเอียดก็แค่ร้วนร า, ายละเอียดมันคืออะไรและก็หมดความสงสัยหมดความสงสัยแล้วไงต่อเอาปฏิปไปทำอะไรไหมะหมดความสงสัยพอหมดความสงสัยก็คือรู้แจ้งปฏิปรู้แจ้งปฏิปเสร็จแล้วก็ งั้นโยมมาศึกษาปฏิติด เ, เพื่อให้รู้แจ้งปฏิติเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าซึ่งเคยรู้แจ้งมันมาในคราวไปค้นขวาเพื่อค้นพบพอค้นพบก็แจ่มแจ้งเลยว่อกอพอมีพบจึงมีชาติเป็นยังไงพอมีเุรทานจึงมีพบเป็นยังไงเข้าใจตามจนแจ่มแจ้งตามจบทุกกระบวนการก็คือได้อะไร ได้ความรู้แจ้งห่วงโซ่ปฏิติแล้วเอาไงต่อรู้แจ้งแล้วจบเรื่องปฏิติไหมเขาไม่ได้เอาปฏติยจสุบาตไปทำอะไรปฏตติยจสุบาทเป็นตัวความรู้ชั้นเหตุเกิดทุกข์ที่บุคคลต้องรู้แจ้งทั้งทุกข์รู้แจ้งเหตุเกิดทุกข์รู้แจ้งความดับทุกข์รู้แจ้งทางให้ได้มาซึ่งความดับทุกข์ เพื่อเจ้าทบทวนอริยสัจเนี่ยในขั้นปฏิติเนี่ยคือทบทวนเหตุเกิดทุกข์พอทบทวนเหตุเกิดทุกข์ก็เลยค้นควาหาไปเรื่อยๆจนเกิดการเชื่อมติดเป็นถึงสิบเอ็ดอาการแล้วรู้แจ้งลายละเอียดของเหตุเกิดทุกข์ว่ารายละเอียดเขาเป็นแบบเนี้ยเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเห็นแจ้งอย่างนี้จบก็คือแทงตลอดซึ่ง ห่วงโซ่ปฏิจจสุบตัติที่รู้ว่าระบบเหตุเกิดทุกข์และความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นเป็นอย่างไรพอรู้แจ้งเสร็จพระเจ้าเอาปฏิไปทําอะไรไหมจะเอาไปทําอะไรเพราะปฏิจจสุบาทิเขามีไว้ให้รู้แจ้งพอรู้แจ้งแล้วโยมก็จะหมดความสงสัยในเหตุเกิดทุกข์และความดับสนิทลงแห่งทุกข์ สิ่งที่หมดไปคือความสงสัยดังที่พระเจ้าเปล่งอุทานความสงสัยทั้งปวงย่อมสิ้นไปพอได้รู้แจ้งธรรมพร้อมทั้งเหตุความสงสัยทั้งปวงย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายสิ่งที่หมดไปคือความสงสัยการที่ยมมาศึกษาเนี่ยเพื่อให้รู้แจ้งพอรู้แจ้งแล้วอะไรหมดไป ความสงสัยสงสัยทั้งโลกหรือว่าสงสัยแค่เหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์นี่คือสงสัยแค่เหตุเกิดทุกข์นี่คือเหตุผลว่าห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยการมาศึกษาเพื่อให้เกิดการสร้างความรู้แจ้งเรื่องเหตุเกิดทุกข์เขาไม่ได้เอาปฏิจจสมุปบาทไปเป็นตัวการปฏิบัต เขาไม่ได้เอาไปเป็นตัวการปฏิบตัติแต่ปฏิเจรสมุปบาทเป็นตัวความรู้ชั้นญานทัศนะที่บุคคลต้องเห็นแจ้งต้องเห็นแจ้งเหตุเกิดทุกข์ต้องเห็นแจ้งเหตุเกิดทุกข์ถ้าตัวการปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่ปฏิบัติในเนื้อตัวของปฏิจสมุปบาท ปฏิจจสมบทตไม่ใช่ตัวการปฏิบัติแต่เป็นตัวโครงสร้างระบบของความรู้นั้นเมื่อโยมกำลังศึกษาเรื่องปฏิจ ก, ก็คือการกำลังศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้เรื่องระบบของเหตุเกิดชาติหรือการเกิดตายว่าระบบมันเป็นยังไงระบบก็เป็นยังไงพอเข้าใจแล้วว่าระบบเป็นยังไงก็คือ เข้าใจแล้วว่าระบบเป็นยังไงแค่นั้นแหละไม่ได้ทำให้ตันหาสิ้นไปรู้ว่าตันหาทำให้มีอุปทานอุปทานทให้มีพบพบทำให้มีชาติเนี่ยไม่ได้ทำให้หมดความต้องการทุกสิ่งในโลกไม่ใช่แค่รู้ว่าชาติเกิดจากอะไรนะตรงนี้เป็นเรื่องเหตุเกิดทุก แต่เมื่อโยมเข้าใจแจ่มแจ้งห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทโยมก็จะได้ความรู้ในชั้นของการเห็นแจ้งอริยสัตว์หนึ่งตัวคือเหตุเกิดทุกข์ซึ่งเขตความรู้ชั้นนี้ยจะมีประโยชน์กับบุคคลที่หลุดพ้นจะทำให้หมดความสงสัยในความหลุดพ้นถ้ายังไม่หลุดพ้นมีประโยชน์นะ ยังไม่เท่าไรแค่รู้เออระบบมันเป็นยังไง ร, รู้รู้ไว้ก่อนล่วงหน้าทันทีที่หลุดพ้นเมื่อนั้นวิมุตติญาณ น, นัศนะจะเกิดต่อเนื่องได้เลยอย่างรวดเร็วทีนี้เราเดินตามรอยพระองค์กันพระพุทธเจ้าท่านสาวเข้าไปหาเหตุเหมือนนักสืบที่อยากจะรู้ความลับของสิ่งนี้ว่า มันคืออะไรเพราะอะไรมันจึงทำให้มีสิ่งนี้ก็ะสาวขึ้นไปการมานั่งมองอะอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงทำให้ยังมีการเกิดใช้คาว่ายังมีการเกิดก็คืออะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีชาติคาว่ายังมีการเกิดกับมีชาติเนี่ยใช่อันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมเดียวเราเป็นคนไทยไงอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงยังมีการเกิด เพราะว่ายังมีพบคือยังมีความเป็นเพราะยังมีความเป็นจึงยังมีชาติจึงยังมีการเกิดคำว่าพบในที่นี้หมายาถึงภาวะที่ขันยังดับไม่สนิทกัเรียกว่ายังมีความเป็นพบไม่ใช่ความรู้สึกพบไม่ใช่ความรู้สึกพบไม่ใช่ความคิดหน้าตาของพบเนี่ยไม่มี พบจะต้องรู้ได้ด้วยปัญญาละพบด้วยสติได้ไหมเอาสติมาละพบมันละความเป็นไม่ได้ด้วยสติดางนั้นพบจะดับไปเมื่ออุปาทานดับใ น, นกลไกมันจะดับไปได้วยมุมเดียวเลยคือพบจะดับไปเมื่ออุปาทานดับพบจะยังมีถ้ายังมีอุปา ชาติจะยังมีถ้ายังมีพบถ้าจะดับชาติดับที่ตัวชาติได้ไหมต้องไปดับที่ภพเขาต้องดับที่เหตุเทําใดเกิดใดเหตุพระตราคตทรงตรัสเหตุและการดับสนิทลงแห่งธรรมนั้นถ้าจะดับแก่เจ็บตายต้องดับไปที่เกิดการเกิดหยุดเกิดก็หยุดแก่เจ็บตายถ้าจะดับการเกิด จะดับลงไปที่ตัวเกิดก็ไม่ได้ต้องดับไปที่พบต้องสิ้นพบจึงสิ้นการเกิดคือถ้าขันยังคงอยู่การแตกตัวสู่การก่อเกิดขึ้นมาอีกก็จะมีได้อีกทีนี้คำว่าพบคือการคงอยู่ของขันเนี่ยนั่นหมายถึงว่าขันมันต้องดับไม่สนิทดีถ้าขันดับไม่สนิทเน ชีวิตของคนคนหนึ่งมีห้าขันพอสิ้นอายุไขรูปขันก็คือต้องดับแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมเมื่อรูปขันแตกทำลายแต่ถ้าเขายังมีพบก็หมายถึงยังมีความเป็นเนี่ยความเป็นยังไม่ถูกเพิกถอนไปให้ได้ก่อนที่ตัวจะตายเนี่ยถึงร่างกายแตกทำลายความเป็นจะยังคงอยู่ไหมอยู่ หมายถึงว่าขันที่เหลือมันก็จะยังไม่ดับดับแค่รูปคันตัวเดียวขันที่เหลือก็เหลือวิญญาณขันตัวหนึ่งละพระเจ้าวิญญาณคือเชื้องอกตัวรู้เนี่ยแล้วจนตัวรู้เนี่ยเขาอยู่โดดๆได้ไหมไม่ได้เขาก็ต้องอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้นั่นคือสัญญาเวทนาสังขารสามตัว หรืออยู่กับสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนาสิกาเหรือสัญญาเวทนาสังขารเนี่ยวิญญาณยังมีอยู่ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารก็ยังมีอยู่เมื่อขันยังคงอยู่สี่ขันการทรงตัวของขันที่เหลืออยู่เนี่ยก็พร้อมจะวนมาสู่การงอกใหม่อีกครั้งแต่ถ้าขันดับสนิทลงไปโดยไม่เหลือเมื่อนั้น จะมีอะไรไปเกิดไหมไม่มีนั่นก็ใช่คาว่าพบสิ้นแล้วความเป็นไม่เหลือแล้วไม่เหลือความเป็นถ้าเราตายสนิทเนี่ยเราจะฟื้นไหมตายสนิทหยุดจะฟื้นไหมแต่ถ้าตายไม่สนิทก็คือเรียกว่าตายไหมไม่ตายนะลอแล่อย่างไงถ้ายังไม่สนิทก็เรียกว่ายังไม่ตายไม่ยังไม่ตายเรียกว่ายังมีความเป็นไห ยังมีความเป็นเมื่อยังเป็นอยู่ฝืนได้ไหมมีโอกาสฉะนั้นขันทั้งห้าชีวิตนี้ประกอบด้วยขันทั้งห้าคือหนึ่งชีวิตในหนึ่งชีวิตที่รูประคันมันดับแต่ไอขันสี่ขันดันไม่ดับเนี่ยก็หมายถึงว่าเขายังมีความเป็นยังมีความเป็นยังมาว้ายเวียนได้ยังมาเยี่ยมเยียนได้ยังมาเข้าฝันได้ร อ, อะไรา ยังมีความเป็นอย่างไม่ดับลงไปเธอยังอยู่ยังมีความเป็นอยู่ทีนี้สัญญาเวทนาสังขารวิญญาณที่เหลืออยู่สี่ขันเนี่ยพระเจ้าก็มามองต่อว่าและอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงทําให้ขันมันดับไม่สนิทคําว่าขันดับไม่สนิทก็คือมันยังมีความเป็นถ้าดับสนิทเสียจแล้วก็หมายถึงว่า มันยังมีความเป็นไหมไม่มีเมื่อ น, นั้นคือภพดับชาติก็ดับถ้ายังมีภพก็จะยังมีชาติและอะไรที่ทาให้ขันยังดับไม่สนิทและขันที่ดับไม่สนิทก็คือสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณจะดับลงไปที่ตัววิญญาณตรงๆเนี่ยจะให้วิญญาณดับต้องดับไปที่สัญญาเวทนาสังขาร เขาไม่ดับที่วิญญาณถ้าสัญญาเวทนาสังขารดับวิญญาณก็ดับดังนั้นตัวที่หล่อเลี้ยงวิญญาณก็คือสัญญาเวทนาสังขารสามตัวนี่แหละนี่มามองดูว่าและอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่ทำให้การแตกทำลายเกิดขึ้นแล้วแก่คนเนี่ยแต่สัญญาเวทนาสังขารมันไม่ดับนี่คือการหาละ อะไรที่ทำให้เจ้าสัญญาเวทนาสังขารมันไม่ดับไปพร้อมการแตกทาลายของกายพอตั้งคาถามอย่างนี้เกิดการหาคำตอบไมเกิดการหาคาตอบการหาคำตอบทำให้พบว่าเพราะจิตยังมีความยึดถือจึงทำให้ขันดับไม่สนิทยึดถือภาษาธรรมเขาใช้าคาว่า อุปาทานเพราะยังมีความยึดถือความยึดถือใช้ความรู้สึกไหมความยึดถือไม่ใช่ความรู้สึกนะกิริยาของการยึดถือเป็นคนละอย่างกับความรู้สึกถ้าความรู้สึกทุกชนิดเขาเรียกเวทนา กิริยาของการยึดถือหมายถึงกิริยาที่จิตยังยึดยังยึดยึดก็คือมันก็ยังอยู่กับใจกับยังถือทั้งยึดและถือยึดอะไรถืออะไรใจถ้ายังยึดอะไรและถืออะไรสิ่งนั้นก็จะยังอยู่ในใจเมื่อยังอยู่ในใจสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสัญญาเพื่อ คงค้างอยู่เหมือนพวกอารมณ์ค้างการยึดและถือนะ่มันเกิดการเจาะจงจริงจังฝังใจพระพุทธเจ้าบอกบุคคลเจาะจงสิ่งใดกาหนดสิ่งใดนอนประจําสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณพอเมื่อมีสัญญาอยู่เจาะจงอะไรเข้าไปเนะี่ย จริงจังอะไรเข้าไปมันคาใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อคาใจอยู่อย่างนั้นมันคาใจอยู่ในรูปอะไรสัญญาอย่างเช่นไปเจอคําบาดหูเข้ามาอย่างเจ็บเจ็บสักคํานึ่งเนี่ยได้ยินแล้วตามกลับมาถึงบ้านคาเผาเมืถึงบ้านได้ไหมก่อนนอนยังคาอยู่ไหมตื่นมาก็คาได้อีกกินข้าวบางทีลอยมาอีกทีหนึ่งเลยนะนั้น บุคคลไปเจาะจงไปจริงจังไปเก็บสิ่งนั้นให้ค้างค้างภายในขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วละก็สิ่งนั้นที่ค้างค้างอยู่นะ่ะก็จะคงตัวทรงตัวในการเป็นสัญญามีมัม้ยังเกลียดใครอยู่มะเมื่อยังเกลียดใครสักคนอยู่ยังรู้สึกเกลียดสิ่งใดอยู่ยังจำสิ่งนั้นได้ไั้ยได้ รักอะไรมากเนี่ยเมื่อเรารู้สึกรักคือเกิดเวทนารู้สึกรักยมจะยังมีความจำต่อสิ่งที่รักั้ยรักลูกใช่ไั้ยังมีสัญญาเรื่องลูกไหมดีความรู้สึกรักดึงสัญญาเรื่องนั้นมาเลยสัญญาเลี้ยงความรู้สึกได้ไหมประจาต่อใครสักคนขึ้นก็รู้สึกต่อคนคนนั้นอย่างเช่นคนที่เกลียดนีพอสัญญาถึงคนที่เกลียดที่เราไม่ยอมปล่อยยังมีอยู่ความรู้สึกเกลียดจะยังมีอยู่ไห มีอยู่อุปาทานเนี่ยเป็นกิริยาที่จิตนั้นเก็บลึกเป็นการเก็บลึกนะถ้ายัางมีการยึดเอาไว้ถือเอาไว้อยู่ในใจใจ ย, ยังยึดเอาไว้ยังไม่ได้ปล่อยออกไปใจยังถือเอาไว้ก็คือยังไม่ได้ปล่อยออกไปเมื่อยังยึงยดอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าอย่าปณนิษละเอียด หรือถืออะไรเอาไว้ในใจไม่ว่าอย่างปานี้ละเอียดสิ่งนั้นจะค้างค้างอยู่เพื่อกลายเป็นสัญญาเมื่อสัญญาตั้งอยู่ในใจรู้สัญญาจะมีไหมมีมมีเมื่อรู้สัญญามีตรงนั้นเกิดภาษาได้ไหมได้เมื่อมีภาษาต่อสัญญาการแตกตัวเป็นความคิดเกิดขึ้นได้ไหมได้เป็นความรู้สึกได้ไหมได้ สัญญาเวทนาสังขารแตกตัวขึ้นมาวิญญาณรู้ก็แตกตัวตามขึ้นมาอีกตรงนั้นพอรู้ตั้งอยู่กับสัญญาเวทนาอีกพัฒนามีอีกไหมมีอีกทีนี้ดับลงไหมดับไม่ลงนะนะนั้นบุคคลเจาะจงสิ่งใดกําหนดอะไรนอนประจําอะไรการนอนประจำอย่างเช่น นอนประจำด้วยอารมณ์ลมรักรักสิ่งใดชอบอะไรเนี่ยพราชอบอะไรติดใจอะไรยังติดใจอยู่ยังขาดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวใจพร้อมจะนึกถึงมัม้ยพร้อมจะนึกถึงพร้อมจะนึกถึงพร้อมจะคิดถึงและใจที่ยังเกาะเกี่ยวอยู่อย่างนั้นเนี่ยหล่อเลี้ยงสัญญาเรื่องนั้นไปด้วยไหมหล่อเลี้ยงเมื่อสัญญาถูกหล่อเลี้ยง เวทนาถูกหล่อเลี้ยงไหมเราติดใจอะไรคำว่าติดใจเนี่ยนะใจยังติดใจยังขาดมันไม่ได้ฉันยังติดใจมันอยู่เมื่อยังขาดไม่ได้ใจก็ยังมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของใจยังไม่ได้ปล่อยไปบาทีสิ่งที่ติดใจก็ลอยกระตุ้นให้เรานึกถึงลอยกระตุ้นให้เราไปเกี่ยวพันลอยกระตุ้นให้เรารู้สึกนี่คือสิ่งที่เรายัง มีเยื่อญ่ยังอาะไรพะติดใจอะไรอาลัยอะไรผูกพันอะไรแม้แต่เกลียดชังอะไรสิ่งนั้นเป็นความรู้สึกเข้มหรือจืดเข้มเกลียดชังนี้เข้มติดใจรักใครนี่เข้มกลัวกังวลวิตกเนี่ยเข้มเมื่อกลัวอะไรสัญญาเรื่องนั้นจะยังอยู่ไหมอยู่เกลียดชังโกรธพยาบาทสัญญาเรื่องนั้นยังอยู่ไหมอยู่รัก ห่วงห่วงกังวลได้เลยเนี่ยงนั้นระดับรักขนาดนั้นเนี่ยจนกระทั่งตายตาไม่หลับขนาดนี้สัญญายังอยู่ไหมนี่รักเนี่ยอารมณ์รักพอรักอะไรเข้าไปเนี่ยใจยังผูกอยู่กับสิ่งมั้นไหมผูกรักสิ่งใดหรือติดใจอะไรใจก็ยังผูกอยู่กับสิ่งที่รักเกลียดชังอะไรใจก็ยังผูกอยู่กับสิ่งที่เกลียดชัง แม้แต่กลัวกังวลอะไรใจก็ยังผูกกับสิ่งที่กลัวกังวลหรือเชื่อปักใจอะไรใจก็ยังหล่อเลี้ยงสิ่งที่เชื่อไว้ในใจนี่คือหล่อเลี้ยงงั้นเมื่อเรากำลังเกลียดชังใครเนี่ยเราไม่เห็นหน้าตาความยึดถือถูกไหมเห็นแต่หน้าตาเกลียดชังมีแต่ความรู้สึกเกลียดชังเห็นความรู้สึกยึดถือไหมไม่มี แต่มีแต่ความรู้สึกเกลียดชังในความเกลียดชังเนี่ยใจยังผูกอยู่กับสิ่งที่เราเกลียดไหมผูกมันหลุดไปจากใจเราไหมไม่หลุดืางทีก่อนนอนมาแล้วกินข้าวกินไม่ลงอีกแล้วมันมาในคือใจผูกเอาไว้เราจะเห็นแค่หน้าตาเกลียดชังเห็นหน้าตารักใจมันรักผูกพันแต่ไม่เห็นหน้าตาความยึดถือ ต้องเกลียดชังเนี่ยสิ่งนั้นก็ผูกติดอยู่กับคนนั้นเลยถ้าเกลียดใครก็ไปด้วยกันตลอดเวลานะทีจะยืนเดินนั่งนอนจะหลับจะตื่นเกลียดใครก็คาใจไปด้วยกันนะจนตายอะ่ะถูกไหมดังนั้นหมายถึงว่าเขาปล่อยไปหรือยังแต่ถ้าเลิกเกลียดปล่อยไปยังปล่อยแล้วดังนั้นในอารมณ์ที่พยาบาทโกรธเครืองเกลียดชังเนี่ยอารมณ์อย่างนั้นเนี่ย หมายถึงเก็บเรื่องนั้นมานอนประจำไหมนอนไว้ในใจไหมนอนพิกษุนอนประจําสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณย่อไม่เกลียดชังใครไม่ถือสาใครสิ่งเหล่านั้นมันจะเข้ามาค้างในใจได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็คือไม่อยู่ในใจ เมื่อไม่อยู่ในใจยมจะคิดถึงมันไหมไม่มีเลยแต่ถ้าเรามีส่วนนี้อยู่ไปเก็บอะไรนอนประจงเช่นในมุมของความไม่ชอบอย่างเข้มข้นบนความไม่ชอบเนี่ยคือความรู้สึกรู้สึกไม่ชอบและในความรู้สึกก็ไม่ชอบเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่จำด้วยจำคนที่ไม่ชอบจำเหตุการณ์ที่ไม่ชอบจำแม้ตัวเองที่ไม่ชอบ สัญญาเหลือเยอะไหมเยอะเนี่ยหรือบางทีลามไปถึงการจําไปถึงผู้ที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ที่ทําให้ตนไม่ชอบกลายเป็นจริงจังไปหมดทั้งกับเรื่องงานทั้งกับเรื่องคนทั้งกับเรื่องอนาคตเท่ากับเรื่องสิ่งต่างๆมากมายเลยเพรจริงจังเข้าไปเลยนั้นภาวะของความยึดถือเนี่ยเราไม่อาจรู้ได้ด้วยความรู้สึก ไม่อาจรู้ได้ด้วยความรู้สึกเพราะความยึดถือไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นกิริยาที่จิตยังเกาะเกี่ยวอยู่ยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้คลายเป็นกิริยาที่จิตยังผูกพันสิ่งนั้นอยู่นี้การผูกพันเกาะเกี่ยวเนี่ยมันมีหลายหน้าตาผูกพันด้วยความเชื่อเชื่อ ระดับความเชื่อในชั้นที่ว่าใครมาบอกให้เธออย่าไปเชื่อนะบอกยังไงก็ไม่ปล่อยเคยเจอไหมเชื่ออะไรก็แล้วใครก็ไม่ออกเนี่ยใครเป็นแล้วมัง้งไม่เป็น <c oughs> เชื่อมากๆากๆเกเรื่อที่ถูกปาทานเนี่ยเชื่อพระเจ้าในเชื่อยอมตายกันเลยเนี่ยเชื่อมีไหมเชื่อแบบยอมตายกันนะมีไหมมีเมื่อเชื่ออะไรก็หมายถึงฝังลึกในสิ่งที่เชื่อ เมื่อฟังลึกในสิ่งที่เชื่อแบบไม่ยอมปล่อยไม่ยอมคลายเนี่ยความเชื่อเหล่านั้นจะค้างค้างอยู่ในรูปของสัญญาสัญญาเรื่องพระเจ้าสัญญาเรื่องความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นเมื่อสัญญาคงอยู่รู้สัญญาก็คงอยู่ถูกไหมพอรู้ตั้งอยู่กับสัญญาตรงนั้นคือคืออะไรพรรษะอย่างทันนะ พอสัญญาอะไรเกิดขึ้นนะ่ะเหมือนเรานั่งรู้สัญญาอะไรลอยขึ้นมาเนี่ยกิริยาถัดไปยมจะทําอะไรรู้ไหมคิดถูกไหมนั่งอยู่เรื่องบ้านลอยขึ้นคิดต่อไหมหรือลอยแล้วจบลอยแล้วคิดเนะี่ยหรือสัญญาบ ร, รมการพลอยขึ้นแล้วความรู้สึกตามมาด้วยได้ความรู้สึกมาด้วยเมื่อลอยขึ้นการรู้ต่อสิ่งนั้นก็จะมีขึ้นด้วยเหมือนกัน มันกลายเป็นที่ตั้งของวิญญาณทันทีอะไรลอยขึ้นวิญญาณตั้งอยู่ทันทีมาด้วยกันเลยเมื่อวิญญาณตั้งอยู่ตรงนั้นคือผัสสะพอผัสสะถูกจุดได้เท่านั้นล่ละการแตกตัวเป็นความคิดเป็นความรู้สึกเป็นความจำก็แตกตัวกันต่อไปสัญญาเวทนาสังขารัวใหม่เกิดได้อีกพอเกิดอีกรู้ไหมรู้มอีก ตั้งอยู่กับสัญญาเวทนาสังขารเอพอรู้ตั้งอยู่ตรงนั้นคือผัสสะอีกแล้วพอผัสสะเกิดสัญญาเวทนาสังขารเกิดอีกนี้คือการหล่อเลี้ยงการคงอยู่ของขันรักมากติดใจติดใจอะไรสิ่งนั้นจะยังอยู่ในใจมหมยังอยู่เมื่อติดใจอะไรยังเช่นไปผ่านชีวิตมาบางทีเนี่ย ไปเห็นอะไรมาครั้งเดียวเนี่ยมันชอบเลยละ่ะชอบแล้วติดใจเก็บมาเป็นความประสงค์เลยว่าต้องเอาสิ่งนั้นให้ได้ผ่านมาเป็นสิบปียังไม่ได้มันมาเนี่ยมันยังอยู่ในใจมหมยังอยู่ในใจสิบปียังไม่หายเลยเนี่ยแค่สัมผัสทีเดียวมันประทับใจลึกเลยเก็บมาเลยกากบาทเลยฉันย้องทําให้สําเร็จฉันจะต้องเอาให้ได้กําหนดสิ่งใดเจาะจงสิ่งใดเนี่ย สิ่งนั้นถูกกำหนดแล้วต้องเอาให้ได้พอเอาให้ได้สิ่งนั้นเป็นเป้าหมายในใจเมื่อมีเป้าหมายในใจสิ่งนั้นคงค้างอยู่ภายในใจไหมคนที่มีเป้าหมายมันจะไม่มีสัญญาเรื่องนั้นในใจได้ไหมอลรหันนี้หมดเป้าหมายหรือยังเพราะไม่รู้จะทำอะไรหมดยนจะเป็นโสดาบันนี้เป็นเป้าหมายไหมมีนะสะกัาคาก็มี กำหนดสิ่งใดวางเป้าหมายอะไรเข้าไว้เนี่ยสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณพอวิญญาณตั้งอยู่ได้การแตกตัวของสัญญาเวทนาสังขารก็ทรงตัวอีกแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นเรามีเป้าหมายอะไรนะประกออีกคนหนึ่งมันช่วงชิงไป จะได้อยู่หลมล่อแล้วนะอย่างเช่นจะไปซื้อลอตเตอรี่สักฉบับหนึ่งแนะอลังวันที่หนึ่งนั่คนหนึ่งแย่งไปตอนนั้นตาตาแล้วดันออกขึ้นมาเนะี่ยนึกแล้วเกลียดไหมเกลีย <c> ด <oughs> ประมาณอย่างนั้นพอเนึกขึ้นมาเจ็บแผบทุกทีอยู่กับมือฉันเธอเอาไปเฉยเลยนะพอเนึกขึ้นมาเจ็บแผลทุกทีเลยนะเอาออกยากัหยแบบนี้เหมือนเชี่ยวจมูกไปแท้แทเนี่ย บางทีคาจนแก่ยังเล่าไม่เลิกเลยเนยตอนนั้นเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วเล่าไม่เลิกอะนี่พอเจาะจงสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นก็จะค้างค้างอยู่เมื่อค้างค้างอยู่เนี่ยมันลอยมาอยู่ได้เรื่อยๆลนะ่ะพอลอยมาอยู่ได้เรื่อยเดี๋ยวชวนให้คิดเดี๋ยวชวนให้พูดนี่คือสิ่งที่ค้างค้างคนเรามีสิ่งค้างค้างเยอะไหมเยอะไม่เงนินไม่ฟุ้งกันหรอกไอ้ค้างค้าง ข้งขงางค้างทังในด้านติดใจติดใจอะไรไปเจออะไรชอบใจอะไรดีอะไรพิเศษเนี่ยติดใจติดใจแล้วก็ใจก็จะนึกแต่เรื่องนั้นใจก็จะคิดแต่เรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนั้นลอยให้คิดเดี๋ยวเรื่องนั้นลอยให้นึกไม่ดีก่อนนอนคิดก่อนหนึ่งกันแล้วค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งนั้นข้างค้างเพราะไปเจาะจงเอาไว้ไปเจอสิ่งที่สะดุดตา สะดุดตาเลยแต่ว่าตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอกับบ้านนี้ยังคาใจอยู่ไหมทางานนี่ยังนับตังค์อยู่เลยแทนจะต้องเอาให้สําเร็จนั้นไอ้ชิ้นนั้นเนี่ยคาใจบางทีเป็นเดือนเลยนะอันนี้คือในชั้นที่บุคคลเจาะจงสิ่งใดกําหนดสิ่งใดนอนประจําสิ่งใดนอนประจําันคือมันเข้าไปอยู่กับเรานะ่เก็บเอาไว้ไปด้วยกัน เกลียดใครอยู่ตั้งหลายปีนะั่นหมายถึงมันอยู่กับเราไหมเกลียดชังใครเนี่ยต้องเกลียดใครบางคนเกลียดมาหลายปียังไม่ยอมมาออกสักทีเดี๋ยวลอยมาให้คิดเดี๋ยวลอยมาให้รู้สึกอยู่อย่างนั้นล่ะไอะ้อย่างนี้เขาจึงต้องละราคะโทสะโมหะพอสิ้นความเกลียดชังถือสาผูกโกรธในมุมอย่างนี้ก็ละไประดับหนึ่ง ไม่มีเรื่องในด้านนี้เข้ามาคาใจสิ้นความติดใจยินดีในสิ่งทั้งหลายก็ไม่มีอะไรอยู่ในใจสิ้นความมั่นหมายจริงจังปักใจในทุกคลองแห่งความเห็นในความเชื่อและความรู้สึกก็ไม่มีอะไรคาใจสักอย่างถ้าในใจไม่เหลืออะไรสำหรับค้างค้างอยู่เลยเนี่ยจะมีอะไรกลายเป็นสัญญาไหมไม่มี เมื่อไม่มีสัญญารู้ต่อสัญญาจะมีไหมไม่มีรู้ต่อสัญญาไม่มีผัสสะก็ไม่เกิดภาวะอย่างนั้นขันก็ดับสนิทนึกไม่ออกอธิบายยากเนาะห้ามง่วงนะเดี๋ยวตะมาเทศไม่ออกค่ดันทุลังเลยเกินเอาใหม่ คือเราจะชินไอ้ตรงคําว่ายึดถือหมายถึงกิริยาที่เราไปยึดนะจริงว่ายึดถือมันซ่อนแฝงในกิริยารักกิริยากเกลียดกิริยากโกรธกิริยาเชื่อกิริยาเชื่อปัจจัยที่ทําให้ขันไม่ดับเนี่ยเพราะว่าจิตยังมีกิริยาที่ยังจริงจังเจาะจง หรือเก็บสิ่งใดนอนค้างค้างในใจในกิริยาเจาะจงจริงๆังและคั่งค้างค่าใจมันยังมีอยู่ยังเก็บมันไว้ในใจอยู่ยังผูกมันไว้ในใจอยู่รักอะไรอยู่ก็คือยังผูกอยู่ไหมรักลูกอย่างเงี้ยนะรักลูกเนี่ยทำงานก็มีแต่ลูกรอยมานะลูกไปโรงเรียนก็มีแต่ลูกรอยมาคือผูกอะไรไว้เนี่ย ลูกลอยมาได้ตลอดมะมมานี้ใครลูกมาด้วยบ้างนั่งสมาธิาลูกฉันมันจะเป็นยังไงว่าอยู่ทางบ้านเนี่ยมีใครลูกลอยมาบ้างนี่คือใจผูกไว้มะเมื่อผูกไว้แล้วเนี่ยการน้อมก็จะน้อมนึกอยู่เรื่อยๆถูกไหมอยู่เรื่อยๆดังนั้นเมื่อยังผูกไว้หมายถึงว่าปล่อยไปหรือยังเมื่อยังไม่ปล่อยก็คือยังยึดไว้อยู่แต่หน้าตามันไม่ใช่เป็นความรู้สึกยึดมันเป็นความรู้สึกห่วง มันเป็นความรู้สึกรักมันเป็นความรู้สึกกังวลก็ได้นี่นก็คือยังผูกไว้อยู่ผูกไว้อยู่ผูกไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพธะธรรมลมผูกไว้อยู่ผูกไว้กับความเชื่อผูกไว้กับความเห็นยังมีการผูกพอมั่นหมายในสิ่งที่เชื่อจริงจังกับสิ่งที่เชื่อความเชื่อมันชัดไหมมันเข้มม เข้มเมื่อชัดเข้มแล้วมันจางง่ายไหมไม่ง่ายเมื่อไม่จางมันก็คั่งค้างอยู่เพื่อกลายเป็นสัญญาสําหรับการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งอยู่ได้ผัสสะขาดไหมไม่ขาดเมื่อผัสสะไม่ขาดสัญญาเวทนาสังขารก็แตกตัวอยู่ในตัวเองอีกแล้วไม่ดับอีกแล้วอันนี้คือ ความเชื่อขณะที่เราเชื่ออะไรเนี่ยเราเห็นหน้าตามความยึดถือไหมไม่เห็นเราแค่รู้ว่าเราเชื่อมั่นสิ่งนั้นว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่าอย่างนู้นบางทีใครขวางโกรธเลยโกรธอันนี้คือความยึดถือที่อยู่ในรูปรักก็ได้รักจาเป็นแมมรักเฉพาะญาติพี่น้องรักทรัพย์สมบัติเนี่ยได้ไมได้ อยู่เนี้ยยังห่วงบ้านอยู่เลยบางคนบ้านจะโดนงัดไม่เนอบ้านอย่างนี้คือรักอะไรใจก็ยังผูกอยู่ผูกอยู่และยังสลัดไม่ได้สลัดไม่ได้ยังผูกยังไม่อาจสลัดยังไม่อยากทิ้งยังไม่อยากจากยังไม่อยากพาคนี้คืออารมณ์รักหรือติดใจเนี่ยเมื่อยังมีความติดใจเมื่อนั้นยังมีการเกาะเกี่ยว ยมติดใจอะไรอยู่สิ่งนั้นยังคาใจอยู่ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้ามันไม่ติดใจ<ม>เห็นอะไรแล้วไม่ชวนให้ติดใจอะไรสักอย่างยมจะ น, นึกถึงมันอีกไหมไม่ในโลกนี้มีสิ่งให้ติดใจเยอะไห ม, ะมเยอะติดใจเยอะเมื่อติดใจเนี่ยถึงแม้ผ่านมันมาแล้วเนี่ยมันก็ยังค้างอยู่ในใจ เขาให้เอาความติดใจที่ค้างอยู่ อ, ออกให้หมดติดใจเนี่ยอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาออกให้หมดเขาเรียกว่าละราคะราคะแปลว่าความติดใจถ้าโยมติดใจอะไรอยู่โยมก็ยังต้องการมันอยู่ติดใจอะไรอยู่ก็ยังนึกถึงมันอยู่ติดใจอะไรอยู่มันก็ยังอยู่กับเรานั่นหละแต่ถ้าโยมล้มจืดจาง ความติดใจเรื่องนั้นติดใจเรื่องนี้มันคลายออกยมจะคิดถึงมันน้อยลงไหมน้อยลงนี่คือจางออกนั้นระดับควาว่าติดใจเนี่ยมันไม่ได้ให้ความรู้สึกนะแต่มันให้ความเกาะเกี่ยวและผูกพันหน้าตาความติดใจเป็นยังไงความรู้สึกติดใจหน้าตาเป็นยังไงมีไหมไม่มีหาหน้าตาไม่เจอ แต่รว่าใจยังนึกถึงสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆยังขาดไม่ได้รู้สึกดีเมื่อได้เกี่ยวพันสิ่งนั้นตรงติดใจนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่หล่อเลี้ยงความยึดถือเมื่อติดใจอะไรสิ่งนั้นก็จะยังผูกไว้ในใจเกลียดชังอะไร สิ่งนั้นก็ยังผูกไว้ในใจผูกไว้ด้วยการเกลียดชงังผูกไว้ด้วยความติดใจนะราคาโทสะผูกไว้ด้วยความเห็นผิดหรือโมหนะเนี่ยความเชื่อไปในทางมีตัวตนตัวบุคคลเนะชื่อไปทางว่ามีเราเนะี่ยจะทำให้เกิดความรักตัวรักตัวมีใครไม่รักตัวเองบ้างเชื่อว่ามีตน ทำให้เกิดความต้องการสิ่งต่างๆมาเพื่อตนทำให้เกิดการรักษาตนทำให้เกิดภาวะที่มีความมั่นหมายไปในทางว่ามีตนสัญญาไปในทางเชื่อว่ามีตนมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่เมื่อใดก็ตามบุคคลยังมีใจที่เกาะเกี่ยวสิ่งใดอยู่ปุจจารย์ใช้คำวมุยึดถือ ยึดและถือมันจะอยู่ในมือไหมถ้าเรามือไปยึดอะไรไว้เนี่ยหมายถึงเรายังอยู่กับมันและมันยังอยู่กับเราไหมอยู่ถือไว้ก็จะอยู่ในมือยึดเอาไว้ก็ยังอยู่กับเราแต่ถ้าปล่อยหมดปล่อยไม่เหลือในมือก็จะไม่มีอะไรจิตเหมือนการต้องไม่จับอะไรเลยไม่เกาะเกี่ยวอะไรไม่ถืออะไรไม่เอาอะไรนอนค้างในใจเลยไม่ให้เหลือเลย ใช้คว่าอนุปาทานปณิธา น, ธานทิ้งหมดเลยเมื่อไม่มีอะไรค้างคาใจอยู่เลยจึงไม่มีอะไรจะกลายเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณไม่มีอะไรจะกลายเป็นสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณต้องทำให้จิตเข้าถึงความว่างจากอารมณ์ที่ยึดถือภาษาธรรมใช้คำว่า อนารมพุทธเจ้าท่านมีจิตเป็นอนารมคือว่างจากอารมณ์ที่ยึดถือไม่ยึดถือสิ่งใดอย่าปานีตละเอียดทั้งภายในภายนอกเนี่ยเขาต้องวางหมดเลยความรู้ที่ลึกที่สุดปานีตที่สุดไปพอใจยินดีเมาหมกอยู่กับมันเนี่ยมันจะค้างคาใจไหมค้างคาได้เหมือนกัน สภาวะทำอะไรที่หยาบละเอียดปนนิดแค่ไหนก็ต้องวางคือต้องวางหมดสำหรับคนต้องการดับสนิทจะต้องไม่มีอะไรค้างคาใจเลยค้างอยู่แม้เพียงนิดเดียวเนี่ยสิ่งนั้นกลายเป็นสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทันทีไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นยมพเจ้าบอกว่าถ้าบุคคลยังมีความยึดถือ ถ้ากับบุคคลนั้นก็ยังมีการเกาะเกี่ยวสิ่งใดๆให้ค้างค้างไว้ในภายในสำหรับการตั้งอยู่ของวิญญาณแต่ถ้าบุคคลไม่มีความยึดถือเลยใจไม่ได้ไปหยิบไปจับอะไรเลยไม่ได้เกาะเกี่ยวอะไรเลยไม่เกลียดชงังใครไม่รักอะไรไม่ติดใจอะไรไม่มั่นหมายในความรู้ความเห็นใดๆเนี่ย กระแสะอารมณ์ของจิตเนี่ยมันจึงว่างจากสิ่งที่คังค้างในใจเมื่อไม่มีอะไรขังค้างคาใจอยู่เลยเนี่ยมันจะมีอะไรกลายเป็นอารมณ์ลึกที่ทรงตัวนอนเนื่องอยู่ไหมไม่มีเมื่อไม่มีสิ่งที่จะกลายเป็นสัญญาเวทนาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีสัญญาเวทนาสังขารเพื่อ เกิดการตั้งอยู่ของวิญญาณภาวะอย่างนั้นถ้ารูปขันมันดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะดับดับแต่ถ้ามันมีมีความยึดถือโครงสร้างจิตยังมีความยึดถือยังไปยึดอะไรเอาไว้เอาไปรักรักอะไรคลายไม่ออกเนี่ยก่อนตายยังกังวลไหมกังวลนะยังไม่ยอมจะตายภาพไปนั้นยังคาอยู่นั่นแหละอะไรยังอยู่อยู่อย่างนั้นแะ ดังนั้นเมื่อยังมีอารมณ์จิตที่ยังไปเจาะจงเจาะจงไปกําหนดไปนอนเนื่องอะไรค้างคาไว้ก็ตามสิ่งนั้นจะกลายเป็นสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณคําว่าตั้งอยู่หมายถึงว่าเพื่อการยังดํารงอยู่ของวิญญาณแต่ไม่วิญญาณมันไม่ดับ มันก็จะยังตั้งอยู่ได้อีกต่อไปแต่ถ้าจะให้วิญญาณดับไม่อาจตั้งอยู่ได้ก็คือต้องทําให้อารมณ์ลึกภายในนั้นนั้นมันทําไมหมดไปมันจะหมดเมื่อคลายราคะโทสะโมหะพอสิ้นราคะโทสะโมหะก็คือสิ้นอารมณ์ลึกเลยสิ้นโมหะเห็นแจ่มแจ้งถึงธรรมชาติตามที่เป็นจริงอย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะคลายความ ยึดถือจริงจังมั่นหมายใยความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาคลายความมั่นหมายในความเห็นทั้งหลายของโลกทั้งถูกั้ะผิดเลยลนะ่ะความเห็นถูกเนี่ยให้ใครโมหะในส่วนนี้จึงเพิกถอนความเห็นทั้งหลายได้ไม่ให้คาใจเพิกถอนความมั่นหมายในความมีตนได้ไม่ให้จริงจังและเมื่อใครราคะก็คือคลายการเกาะเกี่ยว สิ่งที่ตนติดใจทั้งปวงในโลกได้ทั้งหมดเมื่อไม่ติดใจจะมีอะไรคาใจอยู่ไหมไม่มีอะไรเลยที่ชวนให้ติดใจหรือติดใจอยู่ถ้าเราไม่ติดใจอะไรเราจะนึกถึงมัม้ยไม่อย่างเช่นอาจารย์เทศเทศได้ฟังแล้วไม่ติดใจเลยกลับแล้วลืมเลยไม่มาแล้ว <c oughs> พอเทศแล้วฟังแล้วมันติดใจมาติดใจแล้วอืเดี๋ยวนึกถึงธรรมะละเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวนึกถึงนี คือถ้าติดใจอะไรก็ตามยังติดใจสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นพร้อมจะลอยขึ้นมาให้เราคิดถึงได้ไหมได้แต่ถ้าความติดใจถูกทำลายหมดเกลี้ยงเลยมันจะมีอะไรลอยขึ้นมาให้เราได้ไหมไม่มีนะความติดใจมันหล่อเลี้ยงสัญญาและดึงสัญญาให้ส่งตัวให้เกิดขึ้นนี่คือมุมราคะติดใจในรูป เสียงกลิ่นรสผลพะธรรมลมเนี่ยติดใจได้กับมุมโทสะนะราคะโทสะมุมโทสะในที่นี้หมายถึงระดับของอารมณ์ลึกในชั้นกโกรธเกลียดพยาบาทกันเลยอคติผูกเวรกันเลยมีแม่ผูกเวรโดนเข้าไปนันหนักสักทีเนี่ยงทีผูกเวรเลยดัยงนั้นพอมีอารมณ์อย่างนี้แล้วเนี่ย ที่เกลียดโกรธระดับผูกใจกันเลยนะข้ามชาติเลยนะผูกข้ามชาติเนี่ยมีได้ไหม <c oughs> ฉันจะจองเวรนี่คำว่าจองเวรดันั้นเมื่อมีการทําในใจที่ลึกในด้านโกรธใจก็จะมีการเกราะเกี่ยวอยู่กับสิ่งนั้นด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์ชังอารมณ์กลัวตรงกลัวนี้เป็นโมหนะ อารมณ์กังวลคนกังวลเรื่องอะไรเนี่ยสัญญาเรื่องนั้นกวนอยู่นั่นหละใช่ไม้มอืมนี่คือโมหะสงสัยละ่ะกวนได้ไหมความสงสัยความสงสัยบางอย่างเนี่ยสงสัยกวนอยู่นะเดี๋ยวลอยมากวนเดี๋ยวลอยมากวนนี่คือโมหะฉนั้นพอบุคคลยังสงสัยอะไรอยู่เนี่ยหมายถึงใจยังเกาะเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่ไหมเกาะเกี่ยวตอนยังสงสัย กำลังรู้สึกสงสัยเราเห็นความยึดถือไหมไม่เห็นแต่ในที่ตรงนั้นเนี่ยใจยังเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่องที่ชวนสงสัยไหมเกาะเกี่ยวเมื่อเกาะเกี่ยวหมายถึงมันยังอยู่กับใจไหมอยู่ในใจและยังไม่ได้ปล่อยมันไปตรงนั้นไม่มีความรู้สึกยึดถือแต่มันมีความยึดถือไหมมีตรงกำลังสงสัยนั่นแหละกาลังมีความยึดถือ กำลังโกรธพยาบาทเนะี่ยตรงนั้นมีความยึดถือไหมมีแต่มีความรู้สึกยึดถือไหมไม่มีแต่มีความรู้สึกเกลียดชังความรู้สึกยึดถือไม่มีมีความรู้สึกเกลียดชังและใจยังไม่ได้คลายความเกลียดชังออกไปเนี่ยก็หมายถึงว่ามันปล่อยไปหรือยังยังเมื่อยังไม่ปล่อยก็ยังนอนอยู่ในใจนั่นแหละคาอยู่ในใจนั่นแหละ ตรงนั้นไม่เห็นความรู้สึกยึดถือมีแต่ความรู้สึกเกลียดชังรักความรู้สึกรักความรู้สึกรักเนี่ยเมื่อเรารักอะไรอย่างลึกซึ้งเนี่ยเราเห็นความรู้สึกยึดถือไหมเห็น <c oughs> <c oughs> แต่ความรู้สึกรักไม่เห็นความรู้สึกยึดถือแต่เมื่อเรารู้สึกรักเนี่ยความรู้สึกรักเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยผูกอยู่กับสิ่งที่เรารักได้ไหมได้ คำว่าผูกอยู่เดี๋ยวเราก็นึกถึงมันเดี๋ยวเราก็นึกถึงเขาเดี๋ยวเราก็กังวลเรื่องเขาเดี๋ยวเราก็สงสัยเรื่องเขาสารพัดคือพอรักอยู่กับอะไรมันให้การเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งนั้นไม่ว่ากับคนไม่ว่ากับสัตว์ใครยังนึกถึงหมาที่บ้านอยู่บ้างตัวเนี้ <c oughs> ไม่ว่ากับคนไม่ว่ากับสัตว์ไม่ว่ากับอะไรอารมณ์รักก็ทําให้เกิดการเกาะเกี่ยวหนึ่งเราไปเกาะเกี่ยวมัน 2. มันก็ยังเกาะเกี่ยวเราที่ ก, กือารมณ์เกาะเกี่ยวเมื่อก่อเกี่ยวก็ยังอยู่ในใจเมื่อยังอยู่ในใจมันก็ยังคงรูปอยู่ในรูปของสัญญาเมื่อสัญญาคงอยู่เวทนาก็คงอยู่ยมรู้สึกเกลียดชังใครเนี่ยสัญญายังอยู่ไหมอยู่ความรู้สึกยังอยู่ไหมอยู่อยู่ด้วยกันเลย สัญญาเวทนาที่คงอยู่กับตุ้นนห้คิดเรื่องนั้นได้ไั้มได้ก็เกลือกล้วกันอยู่นั้นนะไม่จบรูปดับแต่ในใจไม่ได้หยุดกรรทางานเลยเกิดดับต่อในตนเองเกิดดับต่อทีนี้ถ้าบุคคลสิ้นความยึดถือในมุมคาว่าสิ้นความยึดถือเนี่ยหมายถึงสิ้นการเกาะเกี่ยวไม่ใช่สิ้นความรู้สึกยึดถือ เพราะความรู้สึกยึดถือไม่มีเขารู้สึกยึดถือไม่มีแต่สิ้นใจที่ยึดถือกับ ว, ว่าสิ้นใจที่ยึดถือกับสิ้นความรู้สึกยึดถือนี้อันเดียวกันไหมสิ้นใจที่ยึดถือก็หมายถึงสิ้นใจที่เกาะเกี่ยวสิ่งทั้งปวงคือคลายหมดวางหมด สำรอความติดใจออกไม่เหลือติดใจอะไรอีกแล้วไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรปฎิภธรรมลมพอไม่ติดใจอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในใจไหมไม่มีคลายความเกลียดชังไปหมดเลยเมื่อก่อนเคยผูกเก็บใครเอาไว้ก็ออกเกลี้ยงในภายในนะสิ่งเหล่านั้นจะลอยเข้ามาก่อกวนอีกไหไม่มีคลายความเห็นผิดหมด จดแจมแจ้งในความรู้ที่ถูกต้องในระบบธรรมชาติเนี่ยจะทำให้คลายความเห็นผิดไปในทางมีตัวตนคลายความเห็นผิดในครองความเห็นทั้งหลายเนี่ยความสงสัยทั้งหลายจะถูกทาลายลงสิ่งที่ข้างค้างคายใจทั้งปวงในรูปแบบความเข็นทั้งหลายก็จะถูกเพิกถอนด้วยนี่คือมุมของการคลายโมหะเชื่ออะไรก็เกาะเกี่ยวสงสัยอะไรก็เกาะเกี่ยว กังวลอะไรก็เกาะเกี่ยวกลัวอะไรก็เกาะเกี่ยวรักอะไรก็เกาะเกี่ยวตรงเกาะเกี่ยวนี้ใช้ความรู้สึกไหมใช่ไหมไม่ใช่เมื่อยังเกาะเกี่ยวก็หมายถึงว่าจิตยังไม่หลุดจากมันและมันก็ยังไม่หลุดออกไปจากใจไม่หลุดเมื่อไม่หลุดมันลอยขึ้นได้เรื่อยๆไหมตั้งแต่ก่อนตายเลยใช่ไห ก่อนตายก็ลอยมาได้เรื่อยๆนะนั้นจิตสุดท้ายจะลอยมาได้ไหมได้ยิ่งสุดท้ายยิ่งชัดเลยนะลอยมาได้นั้นเมื่อยังมีค้างอยู่มันจึงมีสิ่งที่ลอยมาได้แต่ถ้าข้างในไม่เหลืออะไรค้างอยู่เนี่ยจะ อ, อะไรลอยขึ้นมาได้ไหมไม่มีละเมื่อว่างจากอารมณ์ที่ยึดถือเกาะเกี่ยวจิตอย่างนั้นจึงเป็นจิตที่ว่างเมื่อไม่มีสิ่งใด ที่ตนยึดและถือไว้ในใจจิตจึงไม่มีอะไรที่จะกลายเป็นสัญญาสำหรับการตั้งอยู่ของวิญญาณแต่ถ้าลองมีอะไรที่ยึดไว้แม้เพียงเรื่องเดียวเล็กๆ เ, เนี่ยพอไหมที่จะกลายเป็นที่ตั้งของวิญญาณพอพอวิญญาณตั้งได้เท่านั้นแหละทาไมแตกตัวมะแตกตัวอะไรทีนี้ขันไม่ดับล้วเกิดต่อไปดังนั้น เพื่อเจ้ามามองว่าเพราะอะไรเล่าขันจึงดับไม่สนิทก็เพราะว่าจิตยังมีอุปาทานยังมีความยึดถือหรือยังมีการยึดและถือสิ่งใดเอาไว้นั่นหละไม่ว่าอย่าปนีดละเอียดเนะี่ยยึดก็หมายถึงว่ายังมีอะไรอยู่ไหมมีถือก็หมายถึงมันยังมีอะไรอยู่ไหมมีเขาก็ต้องตรงเลยจิต ย, ยังยึดอะไรเอาไว้ มันก็จะมีนี่เป็นโครงสร้างที่มองด้วยปัญญานั้นอุปาทานเนี่ยใช้ความรู้สึกไหมไม่ใช่นะแน่ใจนะตอบไ ม, ไม่หนักแน่นเลยโย ม, มันดูของจริงโยมจะไปนั่งละอุปาทานโยมก็ไปหา้เจ้าตัวความรู้สึกยึดถือหน้าตามันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่นึกไม่ออก ย่อต้องดูของจริงธรรมะต้องดูของจริงต้องดูของจริงให้เห็นหน้าตาจริงๆแต่ถ้าอาการที่ใจยังเกาะเกี่ยวเนี่ยเห็นได้ด้วยปัญญ า, าเช่นเรารักอะไรอยู่เนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าสิ่งนั้นยังอยู่ในใจเราตลอดเดี๋ยวเราก็นึกถึงมันเดี๋ยวเราก็กังวลเรื่องมันเดี๋ยวเราก็คิดเรื่องมันเดี๋ยวเราก็รู้สึกต่อมันจะหลับจะตื่นจะทางานเดี๋ยวมันก็ยังมาอีก แต่ถ้าเราหมดเยอใหในมันแล้วเนี่ยมันจะยังอยู่ในใจเราั้มหมดนี่คือใจยังเกาะเกี่ยวด้วยราคะโทสะโมหะเมื่อนั้นก็จะยังมีอุปาทานไม่จบแน่เลยได้แค่อุปาทานทีนี้โยมมองหน้าตาอุปาทานให้เห็น ว่าเราจะทำให้อุปาทานเนี่ยหรือการยึดถือสิ้นไปมันจะสิ้นไปด้วยทำยังไงทำให้รักสิ่งต่างๆน้อยลงเนี่ยความยึดถือมันเบาไหมเบาสิน้อยลงไม่รักอะไรมากนะพอรักเบาๆาก็คือเบาบางราคะเบาบางแสดง ว, ว่ารักมากไหมเมื่อรักไม่มากมันเข้ ม, มั้ยไม่เข้ม เมื่อไม่เข้มก็ไม่ค่อยลอยมานี่คือบางแต่ถ้าเข้มขึ้นมาเนี่ย ล, ลอยทีทีที ท, ทีเลยนี่คือเข้มดังนั้นพอติดใจมากเนี่ยกับอืแค่ชอบเล็ ก, ลกความชัดของสัญญามันต่างกันไ ะ, นะต่างคือต่างกันเลยังนั้นถ้าในมุมของคนไม่อยากเกิดนี่คือมุมของคนไม่อยากเกิดก็คือต้องทำให้ขันดับสนิท ก่อนตายให้ได้หรือทำให้พบดับให้ได้วิธีจะทำให้พบดับก็คือทำให้จิตสิ้นความยึดถือในภายในให้เสร็จก่อนตายอุปทานทั้งสี่ต้องสิ้นไปให้เสร็จก่อนตายอุปทานทั้งสี่ไม่ใช่สิ่งที่จะละได้ด้วยสติสัมปชัญญะ ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นกิริยาที่เป็นอารมณ์ลึกต้องถอนด้วยยาณทัศนะเท่านั้นเขาจะใช้คำว่าอุปทานทั้งสี่สิ้นไปเพราะรู้ชอบอุปทานเพื่อทีเจ้าได้แสดงว่าอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีพบก็เพราะมีอุปทานพอรู้ว่ามีอุปทานท่านก็แจกแจงต่อว่าแล้วสัตว์โลกเนี่ยมีความยึดถือเนี่ย เขายึดถืออะไรกันบ้างสิ่งที่สัตว์โลกเขากำลังยึดถือกันอยู่เนี่ยเขายึดถืออะไรกันบ้างในยุคนั้นเนี่ยท่านก็แจกแจงว่ามันมีอยู่สี่สี่เรื่องราวที่สัตว์โลกยึดถือกันอยู่หนึ่งยึดถือในกามคุณยึดถือในกามคุณคือติดใจในรสแห่งกามคุณติดใจในความวิจิต ติดใจในความบันเทิงเลงลื่นของโลกหรือติดใจในโลกนั่นเองก็เรียกว่าติดใจในกามคุณมีความยึดถือในกรรมะคุณอย่างเช่นถ้าเราติดใจอยู่ในกรรมคุณเนี่ยใจยังเกาะเกี่ยวอยู่กับกรรมคุณมไหมยังเกาะเกี่ยวยังกระหาย<ม>ต่อกกรมคุณเนี่ยคือใจมันยังติดใจก็คือยังเกาะเกี่ยวอยู่กรรมะคุณหลับตาก็นึกแต่เรื่องการมคุณ ทำอะไรก็นึกถึงแต่สิ่งที่ตนต้องการคือการมคุณข้อหนึ่งคือยังเกาะเกี่ยวกับการมุณมีใครเกิดมาแล้วไม่ต้องการความสุขบ้างมีไหมไม่มีหรอกและความสุขทั้งหลายในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นความสุขโดดๆความสุขต้องเป็นความสุขที่เกิดจากอะไรสุขจากการได้มาซึ่งสิ่งที่ตาเห็น สุขจากการได้เสพสิ่งที่ตาเห็นสุขจากการได้เสพ ส, ส, สิ่งที่หูได้ยินสุขจากการได้เสพสิ่งที่ชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องสุขจากการได้มีในสิ่งที่ได้เห็นและได้เสพสิ่งนั้นนั้นสิ่งเหล่านี้ยคือกามคุณหมดเลยคนต้องการความสุขก็เลยต้องติดใจในกามคุณใช่มอืมทุกวันที่มีความสุขเนี่ยก็คือความสุขจาก กรมคุณทั้งนั้นเลยหมายความความกินดีอยู่ดีนี่คือกามมาคุณมีใครไม่อยากกินดีอยู่ดีเรื่องกินดีอยู่ดีนี่คือกามมาคุณมีความต้องการให้ชีวิตมันดีขึ้นเพื่อจะได้กินดีอยู่ดีนั้นใจอย่างเนี้ยยังเกาะเกี่ยวผูกพันกับความต้องการที่จะมีกามคุณที่สมบูรณ์ไหมต้องการ กามาคุณไม่ใช่เรื่องทางเพศอย่างเดียวนะแต่หมายถึงโลกทางโลกเลยนี่คือการมาคุณความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทั้งหลายเนี่ยคือเรื่องของการมาคุณมีพวกไม่ยินดีในกามก็คือพวกยินดีในฌานพวกนี้ไม่เอาก็มีความสุขจากฌานขึ้นมาแทนลืมโลกไปเลยบางทีนั่งสมาธิอิม่มไม่อยากกินอะไร ใครชวนไปไหนก็ไม่อยากไปเที่ยวไหนก็ไม่อยากเที่ยวสุขอยู่กับอารมณ์ของธรรมอารมณ์ล้วนๆแต่เราไม่มีฌานเราจะไปสุขอยู่กับอะไรมีไหมถ้าไม่มีฌานเราก็ต้องสุขอยู่กับกามมาคุณกามคุณเมื่อสุขอยู่กับกรมมคุณทําให้คนนั้นพอใจยินดีในกามคุณได้ไหมได้ เมื่อพอใจยินดีอยู่กับสิ่งนั้นหมายถึงใจยังผูกพันติดใจมัม้ยติดใจตรงนี้ก็เรียกว่ากามุปาทานยังมีความยึดมั่นในกามเป็นเรื่องธรรมดาไหมธรรมดาเพราะไม่ใช่อนาคามีเ็นเรื่องธรรมดาฉนั้นความยึดมัน่นหนึ่งสิ่งที่สัตว์โลกมีอยู่คือยึดมั่นในกามคุณ ยึดมั่นในกามคุณในความสุขอเนจอร่อยอทาให้คนเราเกิดความเกลียดชังได้ไหมกามคุณของฉันเธอดันมาแย่ง<ไ>เกลียดเลยเกลียดชังก็ได้นะ่ะเพราะการมคุณเนี่ยรักก็ได้เกลียดชังก็ได้กังวลได้ไหมกลัวบ้านหายเนี่ยยึดมั่นในกามคุณเนี่ยกังวลได้เดี๋ยววันนี้บ้านจะโนนงัดไม่หนอวันนี้บ้านจะไฟไหม้ไม่หนอกังวลได้ไหมได้ แค่คำว่ายึดมั่นในกามมันได้ทั้งอารมณ์รักอารมณ์กลัวอารมณ์กังวลอารมณ์เกียรตชังทุกอารมณ์เหล่านั้นทําให้ใจเกาะเกี่ยวไหมเกาะเกี่ยวกามะคุณน่าเหนื่อยเนาะกิเลสเนาะให้พูดให้เห็นภาพอการมีความยึดถือหรือใจที่ยังเกาะเกี่ยวเนี่ย มันไม่ใช่ความรู้สึกถ้ายังเกาะเกี่ยวอยู่นั่นคือมีอุปทานละหนึ่งเกาะเกี่ยวอยู่กับกามคุณเขาเรียกกามุปาทานยังขาดไม่ได้ยังนึกถึงมันอยู่นั่นล่ละนี่คือกามุปาทานยังไม่หมดอาลัยยังมีเยื่อใหญ่ยังพอใจยินดีนี่เขาเรียกว่ามันยังอยู่ในใจมหม อยู่ในใจเมื่อยังอยู่ในใจก็คือยังกลายเป็นอุปาทานอยู่ยเรียกกามุปาทานแล้วเมื่อเราชอบใจติดใจอยู่อย่างเนี้ยสิ่งที่เรากำลังติดใจในการมคุณเนี่ยมันนอนเนื่องอยู่นะมีไหมนอนอยู่ในใจเพราะหนึ่งถ้าเราดูใจก็เออฉันยังชอบอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเมื่อชอบอยู่เนี่ยเวลาไปเจอสิ่งที่ชอบปุ๊บมันมาเลยคิดจะเอาเลย แต่ไปเจอสิ่งที่ใจมันยังไม่ชอบก็เฉยๆฉันยังไม่ชอบนั้นเมื่อยังมีความชอบใจหรือติดใจอะไรอยู่เนี่ยมันทั้งลอยมากวนให้คิดถึงกับเมื่อกระทบสิ่งที่ชอบมันก็กระตุ้นให้ต้องการแต่ถ้าภายในใจมันไม่มีติดใจเรื่องนี้ละเคยชอบอะไรมากมันไม่ชอบละคลายความติดใจได้เนี่ยมันลอยมากวนั้ยไม่กวนไปเจอสิ่งที่เคยชอบแล้วตอนนี้เราไม่เอาแล้วเนี่ย พอไปสัมผัสแล้วมันจะกระตุ้นให้ชอบได้ไหมก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันพอข้างในดับข้างนอกก็เย็นนนี้คือข้อหนึ่งนั้นหนึ่งคือกามุปาทานความยึดถือในกามความยึดถือในกามแตกอารมณ์จิตให้เกาะเกี่ยวได้ทั้งก่อเกิดอารมณ์รักห่วงกังวลโกรธพยาบาท สงสัยกลัววิตกได้ไั้มฟุ้งซ่านได้ไหยได้อยากได้จนฟุ้งซ่านเนี่ยมีนติดใจนี่คืออารมณ์แค่กามุปาทานตัวเดียวเนี่ยได้ตั้งหลายความรู้สึกเลยกามุปาทานตัวเดียวอีกตัวหนึ่งคือศีลพัตตุปาทาน สีลปัตุปาทานคือยึดมั่นในศีลในพรตในวัดในปฏิปทาคือยึดมั่นในยุคนี้เราจะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าพุทธกาลนี้จะเห็นชัดบางคนเนี่ยยึดมั่นในข้อเค็งครัดเอาเป็นเอาตายกันเลยล่ะยึดมั่นในข้อเค็งครัดอย่างจริงจังเลยยึดมั่นในปฏิปทาเคยมีกิจวัตรอย่างไรต้องทําอย่างนั้น เมื่อทำย้ำย้ำทำท ำ, ทำย้ ำ, ท ำ, ทำย้ำทำจนเป็นปกติที่ฝังแน่นคลายไม่ออกเลยเนี่ยสิ่งนั้นจะชัดอยู่ในรูปสัญญาไหมชัดชัดไหมเนี่ยชัดยึดมั่นในศีลในพลดเนี่ยหมายถึง เ, เขาเชื่ออย่างนั้นปักใจอย่างนั้นยึดมั่นไม่คลายแคลนเลยว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้จึงน่ะไม่ชีวิตเนี่ยอยู่กับการ กระทำซ้ําอยู่ในสิ่งที่ตนเชื่ออย่างเคร่งครัดคําว่าเคร่งครัดนี่มันจริงจังไหมจริงจังเมื่อจริงจังแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็เด่นชัดฝังลึกสําหรับกลายเป็นปฏิปทาที่คงรูปสัญญาเพื่อย้ําการคิดย้ําการรู้สึกถึงข้อพรดข้อวัดต่างๆที่ตนกระทําและเคร่งครัดในศีลพดวัดต่างๆเนี่ย เพราะตนก็ ม, มั่นหมายในความสุขอยู่ดีนั่นเองมีไหมไปเคร่งเพราะเคร่งมันเฉยๆก็ไม่มีเพราะต้องการที่จะได้อะไรจากการเคร่งคือเป้าหมายบางคนต้องการให้เป้าหมายเจออามาตะหรือเจอสิ่งที่ที่คิดว่าถ้าเคร่งไปอย่างเงี้ยจะได้สิ่งดีเคร่งไปเงี้ยจะได้สิ่งประเสริฐก็คือต้องการเมื่อต้องการสิ่งใดอยู่สิ่งนัน้นเป็นเป้าหมายของใจไหเป็น เมื่อเป็นเป้าหมายของใจมันก็กลายเป็นสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนั้นมีสีพลดก็เรียกว่าสีละพัตตุปาทานยึดมั่นในสีในพลดในวัดในปฏิปทาทั้งหลายนี่นก็อีกข้อหนึ่งกับยึดมั่นในความเห็นนะความเชื่อความเห็นต่าง ความเห็นในโลกนี้มันมีเยอะบางบุคคลเนี่ยจมอยู่กับความเชื่อยึดมั่นในความเชื่อจนทำให้กลายเป็นคนกลัวเป็นคนกังวลเป็นคนวิตกเป็นคนหวาดระแวงเป็นคนงมงายไปเลยเนี่ยมีไหมมีนะพัเจ้าความเชื่อนั่นแหะังนั้นพอเชื่อกันถึงขนาดนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความเชื่อที่คัง่งค้างอยู่อย่างงั้มันชัดในใจไหมชัดมันเป็นการทรงชัดอยู่ในใจ เมื่อทรงชัดอยู่ในใจมันกลายเป็นอะไรสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณยึดมั่นในความเชื่อยึดมั่นไปในทางว่ามีตนเรียกอัตวาทุปาทานการยึดมั่นไปในทางว่ามีตนเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะที่จริงจังต่อความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเลยล่ะพอยึดมั่นไปทางว่ามีตนเนี่ย พร้อมจะถือสาคนได้เลยยึดมั่นพร้อมจะหวงแหนตนเองพร้อมที่จะถือสาสิ่งนั้นถือสาคนนั้นถือสาคนนี้เพราะยึดถือว่ามีตนยึดถือว่าเป็นคนว่าเป็นสัตว์ถ้าเห็นคนนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาโยมจะไปเกลียดชังเขาไหมมีแตธ่ธาตุมานั่งบนชันอย่างเงี้ยโยมจะเก็บไหม เก็บมีแต่าธาตุเออธาตุแกนั่งบนาธาตุแกนั่งฟังนะเจ้าดินน้ำไฟลมแกนั่งฟังนี่าธาตุแกก็นั่งบนไม่เก็บแต่พอยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยปล่อยไม่ได้เลยนะอย่างเช่นเรานั่งอยู่กิ่งไม้หล่นใส่หัวเราเนี่ยเราจะโกรธกิ่งไม้ไมั้ยไม่โกรธแต่ถ้าคนผ่านมามือตีศีรษะเราโกรธเพราะคนนั้นเป็นคนมีความเป็นคน นะเดินไปสะดุดก้อนหินล้มโกรธใครโกรธตัวเองไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเดินไปคนเอาขาไมา่แย่โกรธคนพอยึดถือว่ามีตนมันจริงจังกับบุคคลโดยความเป็นตนเป็นบุคคลทั้งจริงจังในหมู่ญาติในหมู่สหายและจริงจังในตัวเองในทางว่ามีตน พอจริงจังในทางว่ามีตนเนี่ยมันเสริมส่วนที่ทําให้เกิดความรักตนพอรักตัวเองในกลัวตายได้ไหมพอกลัวตายนี่คิดมากไหมคิดมากพอรักตัวเองต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อตัวเองได้ไหมได้พอต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดมากได้ไหมได้พอมีความยึดถือว่าตนเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เกิดการจริงจังลงไปในตนเองในบุคคลทั้งหลาย ที่จะก่อทั้งอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์กลัวอารมณ์กังวลอารมณ์ต้องการอารมณ์มั่นหมายเลยนี่คือความยึดถือว่ามีตนพอคลายความยึดถือว่ามีตนเสียได้เนี่ยไม่ยึดถือบุคคลทั้งหลายโดยความเป็นบุคคลตัวตนเราเขาไม่ยึดถือแม้แต่สังขารหรือขันห้าโดยความเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาเนี่ย พอเห็นอย่างนี้ยกิริยาเขาจะคลายความจริงจังขึ้นไหมพอคลายความจริงจังโกรธยากไหมยากเกลียดชังก็ยากจะจริงจังก็ยากแต่พอไปยึดถือว่ามีตนอตตวาทุ ป, ปาทานไปยึดถือว่ามีตนว่ามีบุคคลว่านั่นคือตนคือบุคคลคืออะไรต่างๆเข้ก็ไปกิริยาที่จะจริงจังต่อคนนั้นเกิดขึ้นเลย อย่าช่นเราเกียดใครสักคนลองไปนั่งพิจารณาเห็นาเออมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะเป็นแต่ธาตุนะเป็นแต่สิ่งปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของขันลว้ลวนที่เกิดดับนะไปสอนตัวเองให้ซึ้งจริงๆ จ, จนเห็นแล้วอืมไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรเลยหนอเงี้ยความรู้สึกเกลียดชังมันจะจางไหมจางจางเมื่อจางการเกาะเกี่ยวระหว่างเรากับเขามันจะคลายไหคลาย แต่ถ้าเรายังยึดถือว่ามีตนอยู่เนี่ยมันจริงจังจริงจังว่าคนนั้นจริงจังว่าคนนี้จริงจังนะว่าลูกฉันจริงจังนะว่าแม่ฉันจริงจังนี่คือ ย, ยึดถือว่ามีตนมีสัตว์มีบุคคลเนี่ยการยึดถือมันให้ความจริงจังพะให้ความจริงจังมันให้อารมณ์การเกี่ยวพันที่เกาะเกี่ยวนึกภาพออกมอนี้คือ อีกหนึ่งตัวอัตวาทุปาฐานมีทุกคนนั้นสิ่งที่บุคคลยึดถือในมุมของใจที่ยังจะเกาะเกี่ยวกับอารมณ์เนี่ยพระเจ้าก็แสดงไว้สี่เรื่องราวยึดถือว่ามีตนยึดถือในกามยึดถือในสีมพรตวัดยึดถือในความเชื่อความเห็น ยึดถือแม้เพียงสิ่งเดียวเนี่ยพอเพียงไหมที่จะหล่อเลี้ยงวิญญาณพอต้องครบทั้งสี่ไหมไม่จำเป็นนะการยึดถือก่อเกิดอารมณ์หลากหลายอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์เกลียดอารมณ์กลัวอารมณ์กังวลอารมณ์วิตกสิ่งเหล่านี้ยก็เป็นอารมณ์ที่ผูกพันการเกาะเกี่ยว เพราะไปยึดถือในกาลจึงรักจึงเกลียดจึงโกรธจึงกลัวจึงกังวลจึงสงสัยจึงฝังใจนึกถึงจึงมีเยื่อใ่จึงมีความหวังมีความหวังเนี่ยก่อเกี่ยวไห ม, มหวังว่าหวังว่าบางคนเนี่ยหวังอะไรไว้ในใจเนี่ยเดี๋ยวลอยมาให้นึกอยู่เรื่อยนะนั่นอันนี้คือมุมหนึ่งเพราะมี อุปาทานจึงมีพบชั่วโมงครึง่งเพราะมีอุปาทานจึงมีพบนั้นอุปาทานเนี่ยใช้ความรู้สึกไหมแน่ใจนะไม่รู้เริ่มลังเลละพอหยุดนิดนึงอุปาทานไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นกิริยาของจิตที่ยังมีการ ผเอาไว้เจาะจงเอาไว้กําหนดเอาไว้เก็บมันค้างคาเอาไว้ผู้ชายใช้คำว่านอนประจําภิกษุเจาะจงอะไรกําหนดอะไรนอนประจําสิ่งใดคําว่านอนประจําหมายถึงมันอยู่กับเราไหมมันไม่เคยแยกจากเราเลยนอนประจาสิ่งนั้นจะกลายเป็นสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญา ถ้าภิกษุไม่เจาะจงสิ่งใดไม่นอนประจำสิ่งใดไม่กำหนดสิ่งใดก็ไม่มีอารมณ์ใดๆตั้งอยู่เพื่อการเป็นที่ตั้งของวิญญาณนี่คือคือคกลไกว่าถ้ายังมีความยึดถืออยู่เมื่อนั้นก็จะยังมีมีอะไรมีพบ นะถ้ายังยึดถืออยู่เมื่อนั้นก็คืออุปทานยังมีอยู่เพราะมีอุปทานจึงมีพบหรือพูดให้ตรงๆคือถ้ายังยึดถืออยู่ขันก็จะยังดับไม่สนิทถ้าขันดับไม่สนิทการเกิดอีกต่อไปก็มีอันนี้เป็นโครงสร้างความรู้จะมีชาติก็เพราะขันมันยังดับไม่สนิท ขันดับไม่สนิทเพราะใจยังมีการยึดถืออยู่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ถ้ายังยึดถือสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นก็จะเป็นตัวหล่อเลี้ยงการคงอยู่ของขันต่อไปทําให้ขันดับไม่สนิทเมื่อขันดับไม่สนิทการเกิดอีกต่อไปก็มีก็สรุปว่าเพราะมีอุปทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติถ้าจะดับชาติต้องดับที่ ถ้าจะดับภพบต้องดับที่อุปาทานไปดับที่ตัวภพได้ไหมไม่ได้ต้องไปดับที่อุปาทานพอสิ้นความยึดถือภพจึงดับภพบดับชาติจึงดับ